พรตไตรปิฎกฉบับประชาชนพตรตไัยปิฎกเล่มสี่หมวดที่สามวัดสูปัายิกาคันทกะหมวดวันเข้าพรรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเวรุวนารามกรุงราชครืสมัยนั้นยังไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องการจำพรรษาคือพักอยู่ในวัดตลอดสามเดือนฤดูฝนภิกษุทั้งหลาย เที่ยวจาวริกไปทุกฤดูกาลมีผู้ตีเตียนว่าเที่ยวเหยียบต้นหญ้าและเหยียบสัตว์ตายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยให้ภิกษุจำพรรษาแล้วทรงแสดงว่าวันจำพรรษามีสองอย่างคือวันจำพรรษาต้นและ ว, วันจำพรรษาหลังเมื่อดวงจันทร์เสวยฤกษ์อาสาละหะล่วงแล้ววันหนึ่งคือรามหนึ่งขาเดือนแป เป็นวันเข้าพรรษาต้นเมื่อดวงจันทร์สวยเลิกอาสาลาหะล่วงแล้วหนึ่งเดือนคือแรกหนึ่งค่ำเดือน9เป็นวันเข้าพรรษาหลังซึ่งสันนิฐานว่าส่งบัญญัติตามปีปกติและปีมีอธิกมาจจึงมีสองอย่างแล้วส่งห้ามจ่าริกไปไหนระหว่างสามเดือนของวันเข้าพรรษาแรกหรือวันเข้าพรรษาหลังแล้วแต่กรณี ส่งปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดแล้วส่งบัญญัติพระวินัยปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้เมื่อถึงวันเข้าพรรษาแล้วไม่จำพรรษาหรือพบวัดที่จะจำพรรษาแล้วกแกล้งเดินทางเลยไปเสียสรงอนุมัติการเลื่อนวันจำพรรษาพระเจ้าพิมพิสาร ทรงส่งทูตไปเฝ้าขอให้เลื่อนวันจำพรรษาออกไปอีกในวันเพ็ญหน้ารวมเป็นหนึ่งเดือนจึงทรงอนุญาตให้อนุวัตรตามพระราชาสันนิฐานว่าทรงขอให้เลื่อนจำพรรษาไปตามวันนาทิกกามาทางโลกทรงอนุญาตให้ไปกลับภายในเจ็ดวัน แล้วส่งอนุญาตให้เดินทางได้ในระหว่างพรรษาโดยให้กลับภายในเจ็ดวันในเมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นที่เรียกว่าสัตตาหกรรมนยะดังต่อไปนี้หนึ่งทายกปรารถนาจะบำเพ็ญกุศลส่งคนมานิมนในกรณีเช่นนี้ส่งอนุญาตให้ไปได้เฉพาะที่เขาส่งคำนิมนมาถ้าไม่ส่งคำนิมนมาไม่ให้ไป 2. เพื่อนสหธรรมิกคือผู้บวชร่วมกันได้แก่ภิกษุภิกษุณีนาสิขามาณาสมณะนาสา ม, เ น, สามเนรีหากเพื่อนสหธรรมิกหรือผู้บวชร่วมกันเป็นไข่จะส่งคนมานิมนต์หรือไม่ก็ตามส่งอนุ ญ, ญาตให้ไปได้นอกจากนั้นยังทรงบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนสหธรรมิกอีกคือเมื่อเพื่อนสหธรรมิกเป็นไข้ ภิกษุปรารถนาจะช่วยสแสวงหาอาหารผู้พยาบาลยารักษาโรคก็ไปได้เมื่อเพื่อนสหธรรมิกเกิดความไม่ยินดีเกิดความรังเกียจหรือเกิดความเห็นผิดขึ้นไปเพื่อระ ง, งับเหตุนั้นๆเมื่อเพื่อนสหธรรมิกเฉพาะภิกษุและภิกษุณีต้องอาบัตสังฆาทิเศสปรารถนาจะออกจากอาบัตในขั้นใดๆก็ตามหรือสงปรารถนา จะทำสังฆกรรมลงโทษภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปที่จะถูกลงโทษต้องการให้ไปก็ไปได้เพื่อไกล่เกลีย่ยไม่ให้ต้องทำกรรมหรือให้ลงโทษเบาลงไปเพื่อให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยพระวินัยเพื่อปลอบใจเป็นต้นหรือเมื่อนางศิกขาม์นาหรือสามเณรปรารถนาจะบวชไปเพื่อช่วยเหลือในการนั้น 3. มารดาบิดาพี่น้องหรือญาติเป็นไข้ส่งคนมานิมนต์หรือไม่รู้เข้าไปได้สวิหารชมรุษไปเพื่อหาสิ่งของมาปฏิสังขรณขาดพันษาที่ไม่ต้องอาบัตเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ไม่สามารถจะจำพันษาในที่นั้นๆต่อไปได้ทรงอนุ ญ, ญาตให้ไม่ต้องอาบัดดังต่อไปนี้หนึ่งถูกสัตว์ ร, ร้ายรบกวนถูกโจรปล้นวิหารถูกไฟไหม้หรือถูกน้ำท่วม 2. ชาวบ้านถูกโจรปล้นอบพยพหนีไปทรงอนุ ญ, ญาตให้ไปกับเขาได้ชาวบ้านแตกกันเป็นสองฝ่าย ส่งอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างมากได้หรือถ้าฝ่ายข้างมากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ส่งอนุญาตให้ไปกับฝ่ายน้อยที่มีศรัทธาเลื่อมใส 3. ขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรคหรือขาดผู้บำรุงได้รับความลำบากท่งอนุญาตให้ไปได้ 4. มีผู้เอาทรัพย์มาล่อ ทรงอนุญาตให้ไปให้พ้นได้ 5. ภิกษุสงส์งหรือภิกษุนีสูงแตกกันหรือมีผู้พยายามให้แตกกันหรือทำให้แตกกันแล้วไปเพื่อหาทางระ ง, งับได้ทรงอนุญาตการจำพรรษาในที่บางแห่ง มีภิกษุบางรูปประสงค์จะจำพรรษาในบางที่บางแห่งต่างๆกันทรงผ่อนผันให้จำพรรษาได้คือ 1. ในคอกสัตว์อยู่ในที่ของนายโคบาล 2. เมื่อคอกสัตว์ย้ายไปทรงอนุญาตให้ย้ายตามไปได้ 3. ในหมู่เกวียน 4. ในเรือ ทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควรทรงห้ามการจำพรรษาในที่ไม่สมควรคือหนึ่งในโพรงไม้ 2. บนกิ่งหรือข้าคบไม้ 3. กลางแจ้งสไม่มีเสนาสนะคือที่นอนที่นั่ง 5. ในโรงผี 6. ในกรด เช่นเต็นท์ของนายโคบาลสำหรับข้อนี้อัธกถาแก้ว่าตั้งเสาสี่เสาแล้วเอาร่มหรือกรดทาบลงไปบนเสานั้น 7. ็ในตุ่มข้อห้ามอื่นๆหนึ่งห้ามตั้งกติกาที่ไม่สมควรเช่นไม่บวชสามเณรให้ในพรรษาสอง ห้ามรับปากว่าจะจำพรรษาในที่ใดแล้วไม่จำพรรษาในที่นั้น